182แต่ถ้าหลงผิดไปเอาแต่ปัจจุบันสุดตรงก็ยิ่งร้ายแต่ถ้าไม่ศึกษาให้สัมมาจิตรีดีๆอีกหลงผิดเอาแต่ปัจจุบันโดยไม่เอาแล้วอดีตอนาคตก็เลยยิ่งร้ายหนักเข้าไปใหญ่เพราะถ้าปฏิเสธอดีตกับอนาคต ไม่ยอมรับว่าอดีตกับอนาคตนั้นจริงๆมีอยู่แน่แท้และมีการเกี่ยวพันกับชีวิตคนอยู่ทั้งสิ้นเป็นพลังแห่งสันตติหรือพลังแห่งอิทัพปัจจยตากระทบมีผลต่อผู้ยังอวิชชาไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงปรมัติธรรมจริงๆ อดีตกับอนาคตมีอิทธิพลกับชีวิตจิตใจของคนผู้อวิชชาอยู่แน่แท้ชนิดที่เจ้าตัวไม่สามารถรู้เท่าทันได้ง่ายๆเลยผู้เรียนรู้ศึกษาอย่างสัมมาจุฑิจะสามารถระวังระวัยกับความเป็นอดีตกับอนาคตได้อย่างมากทีเดียว ดังนั้นผู้ที่ปฏิเสธอดีตกับอนาคตสิ้นเชิงนั้นจะถูกอดีตกับอนาคตเด่นงานได้โดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัวเพราะตนไม่รู้ทันจริงๆผู้ที่ไม่ปฏิเสธอดีตกับอนาคตและภาคเพียงเรียนรู้ความเป็นอดีตกับอนาคต ที่มันวนเวียนเกี่ยวข้องอยู่กับชีวิตจิตใจคนชนิดที่อย่าให้มันมีอิทธิพลกับเราเป็นอันขาดหรือมากนักให้ได้ด้วยการยอมรับก็จะไม่เสียท่าให้อดีตกับอนาคตเพียงแต่อย่ามิจฉาทิสิพาตนเข้าไปจมอยู่ในความเป็นอดีตอนาคต แม้จะมีผัสสะหกอายตนะหกองค์ประกอบในการปฏิบัติโดยรูปมันเป็นปัจจุบันแต่โดยนามมันไม่เป็นปัจจุบันหรอกต้องมีอดีตกับอนาคตประกอบการศึกษาด้วยเป็นสามันของโลกธรรมดาถ้ายิ่งสุดตรตงดังว่าก็กลายเป็นอุเฉทิฐิไปเลยคือคนผู้นี้เชื่อว่า อดีตกับอนาคตหลังตายไปไม่มีและแม้ปัจจุบันผู้ใดถ้าไม่สำนึกสำเนียกมันไม่ระวัยระวังอดีตกับอนาคตโดยอย่าให้มันมีอิทธิพลกับเราจนเสียท่าเป็นผู้มีความเห็นขาดศูนย์คนผู้นี้เข้าใจว่าคนเกิดชาติเดียวตายชาติเดียว แม้ในปัจจุบันชีวิตก็ไม่เชื่อว่าอาดีตรหรืออนาคตมันมีอิทธิพลกับตนคนผู้นี้นอกจากจะสิ้นหวังจากนิพพานแล้วยังจะกลายเป็นคนใจดำอมหิตไม่มีบาปไม่มีวุ่นไม่มีกุศลอกุศลไม่มีนรก ไม่มีสวรรค์กันไปเลยเพราะเชื่อว่าตายแล้วก็จบไม่มีอะไรต่อไปอีกคนผู้นี้ก็จะทำชั่วได้ทุกอย่างถ้ามั่นใจตนเองว่าหลบเลี่ยงผลร้ายในปัจจุบันนี้ได้เขาก็จะทำชั่วนั้นอย่างไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริง